สิขาบทวิพัง1น8 7งพัคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดในี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่เป็นไข้คือผู้สามารถเดินเท้าไปได้ ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือผู้ไม่สามารถเดินทางไปได้ที่ชื่อว่ายานได้แก่บ่อรถเกวียนคานหามแค่เปลี่หามคำว่าโดยสารไปคือไปด้วยยานแม้ครั้งเดียวต้องอบัตปาจิตตี